จุละวักหมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย 1. สามุขีภาวสูตรว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสุตทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรม3มประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากความพร้อมแห่งธรรมามประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะความพร้อมแห่งศรัทธา กุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมาก 2. เพราะความพร้อมแห่งไทยธรรมกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมาก 3. เพราะความพร้อมแห่งทักษินายบุคคลบุคคลผู้ควรรับทักษิณากุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมากภิกษุทั้งหลายเพราะความพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้แหละกุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสบบุญมาก สำมุขขีภาวสูตรที่หนึ่งจบ 2. ติฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัท ธ, ธาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใส พึงทราบได้โดยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 2. เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังสัจธรรมสเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะสามประการ น, นี้แลบุคคลผู้ปรารถนาจะเห็นท่านผู้มีศีลปรารถนาจะฟังสัจธรรมกำจัดความตระหนีอันเป็นมนทินบุคคลนั้นเรียกว่าผู้มีศรัทธา ติทานสูตรที่สองจบ 3. อมอัฐวสสูตรว่าด้วยอำนาจประโยชน์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์3ประการจึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่น อำนาจประโยชน์3ประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรมสองบุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรมสามบุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมทั้งสองฝ่ายรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์3ประการ น, นี้แล จึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นอัตตวสสูตรที่สจบ 4. กรกถาประวติสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้ภิกษุทั้งหลาย การสนทนาดําเนินไปได้ด้วยฐานะ3าประการฐานะ3ามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้แสดงธรรมรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรม 2. บุคคลผู้ฟังธรรมรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรม 3. บุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมทั้งสงฝ่ายรู้แจ้งอัดและรู้แจ้งธรรมภิกษุทั้งหลาย การสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะสามประการนี้แลกาถาปวติสูตรที่4จบ 5. ปัญติตะสูตรว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลาย กรรมสามประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้สัตบุรุษบัญญัติไว้กรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ทานการให้สอั 2. ปปัชชาการถือบวช 3. มาตาปิตุอุปถากการบำรุงมารดาบิดากรรมสามประการนี้แหละบัณฑิตบัญญัติไว้สัตบุรุษบัญญัติไว้ทานอาหิงสาความไม่เบียดเบียน สัญญาะความสำรวมธรรมะการฝึกฝนมาตาปิตตอุปถากการบำรุงมารดาบิดาเป็นสิ่งที่สั ป, ปรุษบัญญัติไว้คุณธรรมเหล่านี้เป็นฐานะองสั ป, ปรุษทั้งหลายผู้สงบเป็นพรมจารีบุคคลซึ่งบัณฑิตควรเสพบัณฑิตนั้นเป็นอริยบุคคลผู้มีทัศนสมบูรณ์เข้าถึงโลกอันกเกษมได้ บันทิตะสูตรที่หจบหกศีลวันตสูตรว่าด้วยบรรพชิตผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่ มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสองวาจาสใจภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลก็ไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะสามประการนี้แหล ซีละวันตสูตรที่6จบเจ็ดสังกตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งภิกษุทั้งหลายสังกตะลักษณะแห่งสังกตะธรรม ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง3ประการนี้สังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรม3มประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรากฏภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรม3าประการนี้แล สังคตะลักษณะสูตรที่7จบ 8. อาสังคตะลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งภิกษุทั้งหลายอาสังคตะลักษณะแห่งอาสังคตธรรม ลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสามประการนี้อสังขตะลักษณะแห่งอสังขตะธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ 2. ความดับสลายไม่ปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่ความแปรไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายอสังขตะลักษณะแห่งอสังขตะธรรมสามประการนี้แหล อาสังคตะลคณะสูตรที่8ดจบ 9. ปรับพตราชาสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพานภิกษุทั้งหลาย ไม้สาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการความเจริญสามประการอะไรบ้างคือ 1. ่งกิ่งใบแก่และใบอ่อน 2. เปลือกและสเก็ตสกระพีและแก่นไม้สาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการ น, นี้ฉันใด ชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการฉันนั้นเหมือนกันความเจริญสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธา 2. สองศีลสปัญญาภิกษุทั้งหลายชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการนี้ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่ หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญ ง, งอกงามเติบโตในป่าแม้ฉันใดบุตรปัญญาพวกพอ้องอมาตหมู่ญาติและชนผู้อาศัยเขาเลี้ยงชีพก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมงอกงามในโลกนี้ชนผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเห็นศีลจาคะความเสียสละและสุจริตความประพฤติดี ของพ่อบ้านผู้มีศีลนั้นแล้วย่อมทาตามบุคคลประพฤติธรรมซึ่งเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนาย่อมบันเทิงในเทวโลกประัต ร, ราชสูตรที่9จบ สิอาตตปะกรณียสูตรว่าด้วยเหตุให้ทำความเพียรภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทำความเพียรด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 2. องเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 3. เพื่อความอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตบุคคลควรทำความเพียรด้วยฐานะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุทำความเพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น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 อาตาปะกรณียสูที่10จบ1ิบมหาโจรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจรภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์สมประการ ย่อมงัดแงะบ้างทำการปล้นบ้างล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดับปล้นในทางเปลี่วบ้างองค์สามประการอะไรบ้างคือมหาโจรในโลกนี้ 1. อาศัยที่ขรขุขระสออาศัยป่ารก 3. อาศัยผู้มีอิทธิพลมหาโจรอาศัยที่ขุรขระเป็นอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้อาศัยเกาะแกงแห่งแม่น้า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 คือมหาโจรในโลกนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอมากของพระราชาเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราพระราชาหรือมหาอมากของพระราชาเหล่านี้ก็จะว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครกล่าวหาอะไรมหาโจรนั้นพระราชาหรือมหาอมากของพระราชานั้นตางก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเขา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 ภิกษุชั่วอาศัยผู้มิทิพนเป็นอย่างไรเพือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้อาศัยพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาอะไรเราพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาเหล่านี้ก็จะว่าคดีความช่วยปกป้องเราถ้าใครว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้น พระราชาหรือมหาอามาตย์ของพระราชานั้นต่างก็ว่าคดีความช่วยปกป้องเธอภิกษุชั่วอาศัยผู้มิทิพนเป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วประกอบด้วยธรรมสามประการ น, นี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ชีบุญเป็นอันมากมหาโจรสูตรที่อจบ จูลวักที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สา ม, มุขีภาวสูตร 2. ติฐานสูตร 3. อัท ธ, ธวสสะสูตร 4. กรทาปวัติสูตร 5. ปันธิตะสูตร 6. สีละวันตสูตร 7. สังคตละลักษณะสูตร 8. อสังคตละลักษณะสูตร 9. ปพัพตาราชาสูตร 10. อาตับปะกรณียสูตร 11. มหาโจรสูตรปฐมมปัญ น, นาจบบริบูรณ์ 2. ทุติยปัญ น, นาต 1. พราหมณนวักบวชว่าด้วยพราหมณ์หนึ่งพถมมเทวพราหมณสูตรว่าด้วยพราหมณ์แก่สองคนสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์สองคนเป็นผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัย นับแต่เกิดมามีอายุร้อปีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควรได้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเขาพระเจ้าทั้งหลายเป็นพราหมณ์แก่เป็นผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุร้อยปี พวกข้าพเจ้านั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้ขอท่านพระโคโดมทรงว่ากล่าวพวกข้าพเจ้าขอท่านพระโคโดมทรงสั่งสอนพวกข้าพเจ้าเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามทั้งหลายที่แท้พวกท่านเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ผู้ล่วงการผ่านว้นับแต่เกิดมามีอายุร้อยยี่สิปีพวกท่านนั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้โลกนี้ถูกชราความแก่พยาธิความเจ็บและมรณะความตายร้อยรัดไว้เมื่อโลกถูกชราพยาธิและมรณะร้อยรัดไว้อย่างนี้ ความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้วชีวิตถูกชารานำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชารานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นภัยนี้ในความตายควรทาบุญที่นาสุขมาให้ ความสํารวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้ย่อมมีเพื่อความสุขแก่บุคคลผู้ตายไปแล้วซึ่งได้ทำบุญไว้ขณะเมื่อมีชีวิตอยู่ปฐมเทวะพรามนสูตรที่หนึ่งจบ 2ทุติยเทวพรามนสูตรว่าด้วยพรามแกสองคนสูตรที่สองครั้งนั้นพรามสองคนเป็นผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุร้อยี่สิบปีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 เพื่อความสุขแก่ผู้ข้าพเจ้าตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามทั้งหลายที่แท้พวกท่านเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุร้อยยี่สิปีพวกท่านนั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้ โลกนี้ถูกชราพยาธิและมรณะแผดเผาแล้วเมื่อโลกถูกชราพยาธิและมรณะแผดเผาแล้วอย่างนี้ความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้วเมื่อเรือนถูกไฟไหม้สิ่งของที่นำออกไปได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา สิ่งของที่ถูกไฟไหม้ในเรือนนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาชั้นใดเมื่อโลกถูกชราและมรณะแผดเผาแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลควร น, นำออกมาด้วยการให้สิ่งที่ให้แล้วชื่อว่านำออกไปดีแล้วความสํารวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้ย่อมมีเพื่อความสุขแก่บุคคลผู้ตายไปแล้วซึ่งได้ทาบุญไว้ขณะเมื่อมีชีวิตอยู่ พุติยะเทวพรามนสูตรที่สองจบ 3. อัญญตระพรามนสูตรว่าด้วยพรามผู้ทูลถามธรรมคุณครั้งนั้นพรามคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยและถึงพรามนั้นซึ่งนั่งณที่สมควรแล้วเรียกราบททนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคโดมด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระธรรมจึงชื่อว่า เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรหมบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะปลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เสวยทุกขโทมณัสทางใจแล้วเมื่อละราคาได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมณัสทางใจพระธรรมชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะกลุ่มรุม ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างเมื่อละโทสะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่สวยทุกขโทมนัตทางใจพระธรรมชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึง เป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุ่มย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสวยทุกขโทมนัตทางใจแล้วเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย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 ปริพาชะกะสูตรว่าด้วยปริพาชกผู้ทูลถามธรรมคุณครั้งนั้นพรามปริพาชกคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับและถึงพรามปริพาชกนั้นซึ่งนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง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 มีจิตถูกราคะปลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเสวยทุกขโทมนันทางใจแล้วเมื่อละราคาได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนันทางใจบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำ มีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมประพฤติกายโโทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติกายโโทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบ้าง เมื่อละราคาได้แล้วเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระธรรมชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทสะละถึงบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเสวยทุกขโทมณัตทางใจบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนัตทางใจบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมประพฤต์กายยัตุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริตเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบ้างเมื่อละโมหะได้แล้ว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 ภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปริภาช ก, กะสูตรที่สี่ พุทธสูตรว่าด้วยพระนิพานครั้งนั้นชานุโสนิพรมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงชานุโสนิพรมซึ่งนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่าพระนิพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่พึงเห็นชัดด้วยตนเอง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 บุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะคลุ้มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนัตทางใจ พระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองและถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทสะและถึงบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ้มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสวยทุกขโทมนั ท, ทางใจบ้าง เมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนัททางใจพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แหลในการใดบุคคลนี้เสวยธรรมเป็นที่สิ้นราคะอันไม่มีส่วนเหลือ สวยธรรมเป็นที่สิ้นโทสะอันไม่มีส่วนเหลือสวยธรรมเป็นที่สิ้นโมหะอันไม่มีส่วนเหลือในกานั้นพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนเพึงรู้เฉพาะตนชานวิสนิพรมนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม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 โลกัสูตรว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงครั้งนั้นพระมหาสารคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงพราหมหาสารนั้นนั่งน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมเขาพระเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบรุษผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในกาลก่อนโลกนี้นานแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกข้าแต่ท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้าน แม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำ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 เพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตําบลก็ไม่เป็นตนําบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทอีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบรมถูกความโลภที่ไม่สม่าเสมอครอบงา ประกอบด้วยทำผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบทำถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดพวกยักษ์จึงปล่อยอมนุษย์ที่ไร้ากาศไว้บนพื้นโลกเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้าน แม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพระมหาสารนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาะสิทธิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพู้ถึงสารนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ปโลกสูตรที่หจบ